ก็ทั mejorar, hmm. ้งเ pues ้านี่ก็เป็นเันพระเนะวนสมมติกันวันวิวสาขาเดียววันที่สิบก็อย่างที่ได้ตกลงกันว่าจากช่วงวันนี้จนไปถึงวันที่ อ8 19ปเป็นช่วงที่เราได้ศึกษาถือว่าเป็นสั ป, ปดาวิสาขานะที่เราจะได้ศึกษาธรรมะร่วมกันนะเพื่อระลึกถึงพระพุทธเจ้าในพุทธศาสนาในประเทศทั่วทั่วไปนะในประเทศที่เป็นพุทธศาสนาก็จัดกิจกรรมต่างๆนะสั ป, ปดา พุทธศาสนาสัปดาวิสาขาประจำปีแต่เฉพาะที่เมืองไทยก็มีการออกบูธออกร้านออกกิจกรรมต่างๆที่สนามหลวงนะเป็นบูธโดยจัดซุ้มต่างๆของวัดต่างๆมาจัดกันเผยแพร่พุทธศาสนาแต่และซุ้มก็จะมีการบรรยายธรรมมีการสนทนาธรรมมีการนาเอา สิ่งของต่างๆมาบริการเป็นเทพเป็นหนังสือเป็นกิจกรรมของแต่ละวัดวัดใหญ่ๆในกรุงเทพมาจัดชุมเหมือนุมอาหารเลยนะก็เป็นการจัดแล้วก็โดยเชพาประเทศศรีลังกาเขาก็จะมีการประดับประดาทั่วประเทศทงทิวฟไฟต่างๆนะนั้นก็ได้ทางเราก็นั่นถือว่าเป็นตัว ภาคสมุตนะแต่ของเราก็ทำเหมือนกันสัปดาห์พุทธศสดาสัปดาห์นี้ก็เป็นทำการทำวิปัสสนาในภาคปรมัตมือนกันคือเราทำให้มันมีความหมายลึกไปกว่านั้นคือมาศึกษาเรื่องของจิตใจนะก็จะมีพิธีกรรมบ้างตามทางวัดได้ทำ ซึ่งวันที่จะมีอะไรบ้างเดออีท่านจันตองพเนธก็คงจะแจ้งให้เราทราบแล้วก็เป็นทางกิจกรรมทางวัฒนธรรมทั้งนี้เพื่อที่จะให้คนรุ่นใหม่หรือคนที่ยังใหม่ต่อพระพุทธศาสนาเนี่ยได้เข้ามาศึกษาในภาคสมมุติก่อนเพราะว่าจะจะเอาภาคปรมัติที่มานั่งปฏิบัติเอาเฉพาะตัวธรรมศารเนี่ย <c oughs> คนใหม่ยังทา ยากเพราะเขายังไม่มีศรัทธายังไม่มีปัญญาเกี่ยวกับเรื่องนี้นะแต่พวกพวกเราทั้งหลายนีได้เติบโตมาระดับหนึ่งมีศรัทธามีปัญญาไดา้พัฒนามาแล้วระดับหนึ่งก็จึงมาศึกษาในด้านปรมัิเลยทีเดียวก็เป็นโอกาสดันเหมาะสมที่เราจะได้ศึกษาร่วมกันตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป มีการศึกษาก็ยังได้ได้ไดกล่าวไปเมื่อวานว่าเราจะนําเอาเรื่องของพระนรัตไตรเรื่องของนาศีลเรื่องของธรรมม า, าวิเคราะห์วิจัยร่วมกันแต่ละแต่ละวันแต่ละวันแต่ละวันไปเมื่อวานเราเริ่มต้นในเรื่องของพุทธังสนังกัจฉามิพูดถึงความหมายของพุทธะที่เราเพึงได้ในมิติต่างๆ มาพูดให้กันฟังแต่ละวันก็จะแต่ละคราวบนาะงทีวันละสองครั้งนะแต่ละคราวก็จะพูดถึงเรื่องตามลำดับเมื่อวานพูดถึงเรื่องธรรมะเช้านี้ก็พูดถึงเรื่องธรรมังสะระนังกชามินะข้าพเจ้าถือเอาพระธรรมเป็นที่พึ่งในมิติต่างๆจนกว่าจะถึงเวลาสมควรนะ เมื่อคืนนี้กลับไปแล้วพระกุราคุบาโกไปชวนทำปดิกรรมของท่านกวจาจะเสร็จก็ห้าทุ่งดึกคืนถึงพี่มาเราออกกำลังกายไม่ทันเพราะว่าท่านได้คิดค้นหาวิธีการชนิดใหม่ขึ้นมาเ ร, ราไปสาธิตได้จะมาดูผลิตกรรมนั้นออกมาเพราะฉะนั้นช่วงเช้านี้ก็จะมีเวลาที่ได้คุยกันเรื่องพระธรรม ถ้ามันไม่จุบก็ไปต่อตอนยินเวลามันพอก็จนไปถึงเวลาทานอาหารเช้าเสร็จอะไรก็ไปนนั้นนะนะไปชนตรงนั้นเลยพูดถึงเรื่องพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี่ก็แยกสมมุติพูดอนะแต่ว่าโดยปรมัาทมันก็เป็นเรื่องเดียวกันนะเป็นเรื่องเดียวกันแต่ามาแยกพูดอแยกให้เห็นเป็นส่วนๆไป มัอนเราพูดคําว่ารถเนยมันก็มีความหมายเดียวคือรถแต่พอมาแยกเป็นส่วนๆ ว, ว่ารถประกอบด้วยอะไรบ้างถึงมาเป็นรถคันนี้ได้เนี่ยอันนี้เมือนกันเราพูดถึงว่าพระธรรมนะมันก็คือทั้งหมดนั่นแหละแต่ที่เราพระธรรมมาแยกเป็นส่วนๆเพื่อเห็นว่าพระธรรมมันประกอบด้วยอะไรบ้างสมมติรนะ่ง า, างกายเขาว่ามนุษย์หรือคน มันก็คือทั้งหมดนี่แหละแต่ที่นี่ในภาคสมมติเราต้องมาแยกออกว่าคำว่าคนหรือมนุษย์คําเดียวเนี่เป็นเป็นปรามัตนะแต่พอมาแยกเป็นส่วนว่าคำว่ามนุษย์หรือคนน่มันประกอบมันจะเป็นคนขึ้นมาอย่างนี้มันประกอบด้วยเรื่องอะไรบ้างจะเป็นภาคสมมติแยกให้เห็นเป็นส่วนเป็นส่วนว่าประกอบด้วยธาตุด้วยขันห้าอายตนะสบสอง ถ้าสิบแปดอะไรเนี่ยแยกออกไปนี่เขาเรียกว่าเป็นภาคสมมติภาคปรมัตดก็มีอันเดียวก็คือคนคือรูปแยกพูดไปธรรมะก็เหมือนกันว่าธรรมคือสัจจะเป็นปรมัตดธรรมะชนิดที่เราจะมาพึ่งได้เนี่ยเราก็มาแยกให้เห็นก่อนว่าเราพึ่งได้แบบไหนอย่างไหนเรียกว่าธรรมะนี่ก็มาแยกให้เห็นกันนะ ธรรมะชนิดเป็นที่พึ่งได้คือธรรมะแบบไหนนี่คือเราจะให้นิยามให้ความหมายกันให้ชัดเจนขึ้นโดยภาคสมมติถ้าเราไม่มีสมมติเนี่ยเราสามารถจะไม่สามารถจะรู้เรื่องกันได้เลยว่ามันหมายความว่ายังไงสมมติก็จะมาเป็นภาคขยายความหมายต่างๆให้เกิดตัวเข้าใจคือทำให้เกิดตัวปัญญา ถ้าไม่มีสมมติมันทําให้เกิดปรามัตดไม่ได้คือถ้าไม่มีกว่าตัวแยกแยะทําความเข้าใจที่เป็นบัญญัติเป็นวจีบัญญัติมันก็จะมาเข้าใจคําว่าธรรมะที่เป็นปรมัตดไม่ได้นี่เขาเรื่อพึ่งอาศัยกันอัดสองพยัญชนะพยัญชนะส่องอัดท่าเร็วทั้งนั้นคำว่าตัวธรรมะตามภาษาเขาเรียกว่ามาจากคาว่าสภาวะที่ทรงอยู่ ภาวะที่มันทรงอยู่มีอยู่แล้วคําว่าคําว่ า, าธาตุก็ดีคําว่าธรรมะก็ดีเนี่ยเป็นาธาตุเดียวกันเป็นภาวะที่ทรงอยู่ธ า, าธาตุในการทรงอยู่นะแล้วก็มาเป็นธรรมะสภาวะที่ทรงอยู่มีอยู่แล้วในโลกในจักรวาลเนี่ยเราเรียกว่าธรรมนะเพราะฉะนั้นตัวธรรมตัวนี้ในแง่ของสมมุติ กันยังไของปรามาัดต่างกันยังไงในแง่ของสุบุศคขาว่าทำนะในความหมายที่ชใช้ภาษาคำพูดเนี่ยมันพ้องกันทั้งหลายคำเช่นเขาว่าทำทอสลัมรำลงมือทํางานทําการนี่ก็ทำเหมือนกันแล้วก็ทอททหารแม่นากาศมอมาก็ อ, อ่านว่าทำเหมือนกันทอทงรอเรือสองตัวมอมาก็ อ, อ่านว่าทำเหมือนกัน อย่างน้อยก็มีสามธรรมนะทีนี้ในความหมายที่นี้เราเอาความหมายก็าว่าธรรมะเนี่ยที่เราชนิดที่พึ่งได้เนี่ยตอนแรกเราก็พึ่งธรรมะที่เป็นสมมติเสก่อนนะเพราะคนเรายังไม่รู้จักความจริงก็อาศัยธรรมที่เป็นสมมตินะเช่นว่าที่จะมากำลังแสดงธรรมอยู่นี่จะเป็นสมมติเขาเรียกว่าทำความเข้าใจ พอแสดงธรรมแล้วเอาคําพูดที่เราพูดเนี่ยออกไปเขียนเป็นคำภีร์เป็นใบลานอัดเทพอัดเสียงออกมาเป็นหนังสือคําพูดของพระพุทธเจ้าที่ท่านตรัสเนี่ยคำว่าเป็นการแสดงธรรมธรรมะจักขปวัตนสูตร เ, เป็นการแสดงธรรมเรื่องของธรรมจักรแล้วท่านก็เอาธรรมะจักเนี่ยมาเล่าสู่คนฟัง ให้คนอื่นเนี่ยไปทำได้ถ้าพุทธเจ้าไม่เอาเรื่องนี้มาเล่าให้ฟังคนอื่นก็ทำตามไม่ได้ธรรมะภาคสมมติก็เข้าถึงปรมาติตไม่ได้ท่านก็เอามาแล้วทาที่เอามาแสดงเป็นธรรมาจักเนี่ยเอามาจากไหนตัวธรรมจักเองเป็นตัวสมมติธรามะเขียนเป็นคำภีบาลานให้เรามาสวดก็เป็นสมมติอยู่ น, นั้นภาคธรรมะในภาคสมมุติเนี่ยอาศัยตัวบัญญัติออกมาที่เราสื่อความหมายเข้าใจกันนะอันนี้ก็เป็นตัวธรรมะในเวลาเราสร้างวัดสร้างวานเนี่ยตอนแรกไปหาพระพุทธรูปมา ก, ก่อนอสมมุติอันนี้คือพุทธ ะ, ะต่อไปก็ไปหาตู้พระไตรปิฎกเรามีตู้พระไตรปิฎกมาตั้ง ถ้าสมมติว่าพระตบิโดกเนี่ยเป็นธรรมะธรรมะในภาคยัดถึงจะอ่านหรือไม่อ่านก็เอามาสมมติตั้งไว้ตรงนั้นแหละมาเป็นธรรมะนะทีนี้ในตัวธรรมะที่เป็นบัญญัติเนี่ยท่านก็บอกว่าธรรมะขันแปดหมื่นสี่พันพระธรรมขัน 84, น, ข น, นะบักทึกแปดหมื่นสี่พันพระธรรมขันมื่อเขียนเป็นพระวินัยสสองหมื่นหนึ่งพันพระธรรมขัน มาเขียนเป็นพระธรรมหรือพระสูตรใช่แปดสองพันพระธรรมคันแล้วมาเขียนเป็นประมัดหรืออภิธรรมใช่แปด0มื่นสี่หมงพพระธรรมคันรวมแล้วเป็น8ปดพันพระธรรมคันนะในธรรมะ 84,000 พันระธรรมคันนี่ถือว่าเป็นคาสอนของพระพุทธเจ้าโดยสมมตินะแต่โดยปรมัด ก็มีอันเดียวคือว่าธรรมแยกเป็นพราเป็นพระไตรปิฎกเหมั้นในเรื่องของพระวินัยปิฎกที่เราพูดมาเมื่อคืนพระวินัยปิฎกมีสองมุลหนึ่งพันพระธรรมขันธ์ก็เกี่ยวกับเรื่องของศีลเรื่องของระเบียบวินัยเรื่องของกฎเกณฑ์บัญญัติต่างๆที่ออกมาเป็นกฎเกณฑ์ทางในส่วนที่เป็นสมุดนะเดี๋ยวพระวินัยบัญญัติ พอ ม, มาภาคปฏิบัติถ้าภาคภายนอกกายวาจาเรียกว่าใช้พระวินัยถ้ามาภาคทางใจก็เรียกว่าศีล น, นะถ้าหากไปภาคทางกายวาจาเรียกว่าพระวินัยนะพระวินัยเรียกว่าศีลโดยสมมุดนะนี่ถ้าหากว่าเป็นเป็นพระธรรมก็เป็นศีลโดยปรมาทิตนะิที่เราพูดกันเมื่อคืนแต่นั้นในส่วนของ พระธรรมในภาคสมมุต 84, ิ8ปดหมื่นสี่พันพันธมรรในส่วนของพระวินัยอืมอันก็มาแยกเป็นพระวินัยสองหมพระหนึ่งพันพนธมอ่าอปามะจุปะฉันใช้อาปามะจุปะ อ, า, ป า, ะปะอาตั้งแต่อาธิกามิกะเป็นต้นไปปากต้องปาจิตตี แล้วก็มหาวัคจุลวัคไปเรื่อยๆ อ, อาปาวัจุปะปารา ว, ารวัคพอมาเป็นพระวินัยพอมาเป็นพระพระสูตรพอมาเป็นพระสูตรก็มาเป็นบัญญัติทีมะสังอังคุรวมตนแต่ที่ฆ่านิกายมาอาหานิกายไปเรื่อยๆนทีมะสังอังคุย่อจากพระไตรปิก คุตการกาากกากนิกายมหาวคจุลวัคมหาวธีมัสอังอังคุตานิกายคุตการนิกายนี่เป็นพระสูตรพอมาพระวินัยก็สังวิทาปุกะยาปะธรรมสังคีนีวิพังไปเรื่อยๆนะตังวิทาปุกยาพิธรมเจตคำพีนะรวมแล้ว8ปดหมสี่พันเพราะถ้ก็มายอ่อ <c oughs> นี่โดยส ม, มุติแดมนสี่พันพระมคัน แล้วก็มาแสดงเป็นรูปแบบต่างๆก็โดยเฉพาะเอามาแสดงเป็นค <c oughs> ำพูดนะให้กันฟังมีหนังสือให้กันอ่านมีเทปให้กันฟังมีซีดีให้กันศึกษาออกมาเยอะแยะไปหมดก็เรียกว่าพระธรรมนะพระธรรมโดยสมมติถ้าหากว่ามีคำพีร์ไม่มีตาราไม่มีการพูดการแสดงเราก็ไม่ไม่สามารถทำให้เกิดปรมัตได้คือไม่เกิดปัญญา พอมาแสดงเป็นภาคปรามาตัติเอาเ <c oughs> บื้องต้นท่านก็เอามาแสดงในภาคของเกิดปัญญาก็คือเกิดสุตะมยปัญญาก่อนก็คือมาแสดงให้กันฟังให้เกิดสุตะมยปยัญญาปัญญาเกิดจากการฟังนี่จะเข้าสู่ภาคปรามัติและ่ะถ้าฟังเข้าใจพอฟังเข้าใจแล้วมันก็เกิดปัญญาภายในแต่ว่าถ้าฟังแล้วไม่เข้าใจ ก็ไม่เกิดจินตามยาปัญญาเพราะเกินจินตามมยปัญญาแล้วก็เอาไปลองทำดูนะพอลองทำเกิดความเข้าใจถูกต้องอเกิดความาเห็นที่ถูกต้องเกิดความคิดที่ถูกต้องขึ้นมาก็เป็นภาวนาภาวนามนยาปัญญา น, นี่ในภาคของอปริยัตทำให้เกิดปรามัติอย่างนี้ภากสมมติให้เกิดปรามัิลักษณะอย่างนี้ นู้ที่เจ้าก็เลยต้องแสดงแสดงสมุตดทางธรรมเลยถึงสี่สิห้าพรรษาโดยการพูดให้ฟังไปที่ไหนก็เทศที่นั่นไปที่ไหนก็พูดที่นั่นสิ่งที่แสดงออกมาเป็นเขาพูดก็ เ, เรียกว่าเป็นพระธรรมโดยสมมุตดพอคนนั้นฟังเข้าใจแล้วเอาไปปฏิบัติเข้าใจก็เกิดปรามัตดคือเห็นความจริงปรามัตดคือรู้ความจริงว่าว่าชีวิตนี้มนุษย์นี้มัน เป็นที่ตั้งของอะไรนะให้เข้าใจว่าเออชีวิตร่างกายนี้เป็นที่ตั้งของความทุกข์นะีเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าก็ตรัสรู้ในธรรมที่เป็นปรมัตขึ้นมาข้างแรกเรียกว่าตรัสรู้อริยสัจอันะนี่เป็นพระธรรมละพระธรรมที่โ ด, ดยปรมัตละฮนะเพราะพระองค์ได้ค้นพบนะที่พระองค์ค้นพบ ด, ด้วยตัวเองก่อนน ะ, ะองค์ก็ความจริงก่อนหน้านั้นก็ได้ฟังธรรมที่เป็นสมมุติจาก ครูอาจารย์อื่นๆมาเยอะแต่ว่ามันเป็นสมมุติที่ไม่ก่อให้เกิดปรมัตดที่ถูกต้องท่านออกมาพิสูจน์แล้วมันหมดทุกไม่ได้นะไปเรียนจากอาราดาดาบทุทะกาดาบทก็ยังไปไปไม่ถึงที่สุดของสมมุติเกิดเป็นปรมัตดที่ถูกต้องไม่ได้คือปรมัตดที่ถูกต้อง ก็มาเริ่มด้วยที่อริยสัจมาเห็นอริยสัจในใจเนี่ยพระพุทธเจ้าตรัสรู้อริยสัจเพราะหลักปรมัติที่เป็นอริยสัจก็เป็นปรมัติที่ถูกต้องละนะเรียกว่าโลกุตรธรรมนะก่อนหน้านั้นที่ไม่ได้เกิดพระพุทธเจ้าองค์นี้แต่พระพุทธเจ้าองค์อื่นท่านก็พูดถึงเรื่อง อริยสัจเ์มือแต่คนก็ลืมไปแล้วจนกว่ามีพู้พุทเจ้ามาตัดสั้องค์ใหม่มาพูดถึงอริยสัจใหม่ก็ถึงได้รู้เอาพระธรรมในฝ่ายที่เป็นปรมัา์ก็เกิดขึ้นใหม่นะแต่นะเรื่องนี้จะซับซ้อนนิดหน่อยนะว่าในปรมัตทบัญญัติเนะี่ยในปรมาทเพูดถึงเรื่องของธาตุของขันธ์ของอายตนะแต่ปรมตทในส่วนที่เป็นสมุิ ธรรมะในส่วนที่เป็นปรมัติในส่วนที่เป็นสมมุติก็พูดถึงเรื่องพระสูตรและพระวินัยและพระสูตรเพรอธรรมะได้พูดถึงเรื่องปรมัติเขาเรียกว่าพระอภิธรรมพูดถึงลาดถึงลาดถึงธาตุ ถ, ถึงขันวิปั ส, สนาภูมิต่างๆเนี่ยเอาธาตุเอ า, าขันขึ้นมาเป็นอารมณ์แล้วทีนี้นั้นเองเวลาเราปฏิบัติเราก็ทําความเข้าใจตรงนี้ให้ได้ก่อนว่าเออเรามาทํา ในส่วนบัญญัติเป็นสมมุติจะเป็นอย่างไรเราก็ต้องมาใช้วินัยบัญญัติวิธีการบัญญัติเบื้องต้นก็คือที่เราใช้กันอยู่นะว่าจะต้องอวันหนึ่งจะต้องทําอะไรบ้างก็ตั้งเป็นสเกจชัวรขึ้นมาเช้าวันนี้จะทําอะไระสายจะทําอะไรบ่ายจะทําอะไรที่ก็มานัดมาหมาย เ, เรียกว่าพระธรรมในฝ่ายสมมุติคือสมมุติว่าวันเนี้ เราจะทําอะไรได้บ้างแล้วก็มาตกลงกันนะตกลงกันตามเวลานี้เขาเรียกว่าบัญญัติขึ้นมาให้เป็นสมมุติว่าเราก็เดินตามสมมุตินั้นนะเราก็รักษารักษาเวลาบางรักษากิจกรรมถึงเวลานั้นต้องทําก็ลงมือทําร่วมกันเนี่ยนั้นในธรรมะในส่วนที่เป็นสมมติก็คือมาข้อตกลง สมมุติแปว่าข้อตกลงร่วมกันมาจากว่าสังมติข้อตกลงร่วมกันว่าวันนี้เราตกลงว่าจะทําทอะไรก่อนทําอะไรหลังแล้วก็มีกติกาตกลงร่วมกันในบัญญตัตินี่เรียกเป็นวินัยในแต่ละคณะในแต่ละกลุ่มอย่างเรามาปฏิบัติเราก็จะตกลงวินยัยร่วมกันหนึ่งว่าเราจะ ไม่พูดคุยกันด้วยไม่จำเป็นนะ น, นี่เป็นข้อตกลงสองอถ้าเป็นไปได้โทรศัพท์มือถือนี่ต้องไม่เอามาใช้นะ น, นี่แล้วก็จะมีบัญญัติในในวงการของกรรมฐานเวลาเราจารัดวิชิตวันนี้เราก็เก็บบัรเก็บโทรศัพท์ไว้ไม่ให้มานั่งคุยกับโทรศัพท์ไม่ให้นั่งรับเฟซรับไลน์ไม่ให้มาสนทนากับโทรศัพท์ละเพราะอะไร อันนี้เราสมมุติว่าการทําแบบนี้มันจะช่วยให้เราได้ค่อยสู่ปรมัติคือหมายความว่ากลับมาดูตัวเองมากขึ้นแต่ถ้าหากว่าไปเกี่ยวข้องกับวัตถุที่สองขึ้นมาเนี่ยมันเป็นสมมุติละแต่ถ้ามาเกี่ยวข้องกับวัตถุที่หนึ่งคือรูปกับนามกายกับใจเนี่ยให้มาดูกายดูใจอย่างเดียวเนี่ยเป็นภาคปรมัติละแต่ทีนี้เราจะปฏิเสธ การใช้สมมุติก็ไม่ได้เพราะเราจะต้องไปเกี่ยวข้องกับการกินการอยู่ปัจจัยสี่เป็นสมมุติทั้งนั้นเราก็ไปสมมติว่าเราตกลงจะเกี่ยวข้องมันอย่างไรที่จะทําให้เอื้อต่อการเกิดปรมัตถ์คือทําให้เกิดกายกับใจนี้มาอยู่ด้วยกันนี่เพราะฉะนั้นการไปเกี่ยวข้องในส่วนที่เป็นวัตถุคือรูปอย่างถูกต้องเนี่ยเขาเรียกว่าสมารทก พอมาเกี่ยวข้องกับนามคือใจของเรา่็าจัดการใจของเราได้อย่างไรให้ถูกต้องเขาเรียกว่าเป็นวิปัสนานี่เห็นไหมในส่วนสมมติมันก็เลยมาแยกออกมาเป็นรูปกับนามถ้าเกี่ยวข้องกับรูปเรียกว่าสมถะถ้าเกี่ยวข้องกับนามเรียกวิปัสนานี่มันก็ย่อยเข้ามาตรงนี้ธรรมะที่เราจะมาใช้ว่าในส่วนที่เป็นสมมติต้องเอื้อต่อให้เกิดปรมัติต นะในส่วนที่เป็นปรมัติตก็จะเอื้อต่อการสมมุติอย่างถูกต้องแต่อันไหนที่มันเป็นสมมติไม่เอื้อต่อปรมัติตเราก็ยังไม่ใช้เช่นว่ า, าโทรศัพท์ถ้าเราใช้ในช่วงเนี้มันทำให้จิตขอเราออกไปนี่เขาเรียกว่าเป็นสมถะที่ไม่เอื้อต่อวิปัสสนาแต่พอเราไม่ใช้โทรศัพท์ เราก็มาใช้สมมุติแต่ในส่วนที่ไม่มีสิ่งนั้นเอาเท่าได้การสื่อความหมายในเฉพา ะ, ะตัวเองกายกับใจเวลามีปัญหาทางกายก็แก่กายเพราะว่าอะไรเพราะว่าประมัติตัวหลักนะคือตัวอริยสัจเนี่ยท่านพูดถึงเรื่องว่าทุกกายเนี่ยเป็นที่ตั้งของทุกน ะ, ะถึงแม้ว่า เราจะมีความสุขอยู่บ้างท่านเขาเรียกว่ามันทุกข์น้อยลงท่านนั่นเองมาเข้าใจตรงนี้ให้ได้ก่อนว่าในช่วง9้าวันสิบวันต้องทำอย่างไรให้เราเห็นปรมัตดตรงนี้ให้ชัดเจนว่ากายเนี่ยมันเป็นที่ตั้งของทุกข์จริงๆมันไม่ได้เป็นที่ตั้งของสุขของสนุกสนานนแต่ทําไมคนถึงสแสวงหาสุขก็ขเพราะว่ามันทุกข์นั่นแหละถึงสแสวงหาสุข เพราะมันทุกมากเราก็มาแสวงหาทุกน้อยคำว่าสุขนี่แปลว่าทุกน้อยทุกที่มันทนได้ง่ายคำว่าสุขมาจากว่าทนได้ง่ายคำว่าทุกแปลว่าทนไม่ได้หรือทนได้ยากแต่ความจริงไม่มีคำว่าสุขนะคำว่าสุขนี่สมมุติมาจากคาว่าทุกที่มันน้อยลงนั่นแหละด้สนนี้เนี้ยมันก็เลยเป็นตัวสัจธรรมเป็นตัวบัญญัติที่เราสามารถเข้าถึงได้ เราก็มาดูตัวสัจจะที่เป็นภายในของเรานะว่าเรามาดูภายในของเรามันมีทุกจริงหรือเปล่าทุกก็มาพิจารณาให้เห็นคาว่าพิจารณานี่หมายถึงว่าเราต้องมาเห็นทุกที่ปรากฏเช่นว่าเรานั่งนานมันก็ไม่สบายยืนนานก็ไม่สบายเดินนานก็ไม่สบายนอนนานก็ไม่สบายมันเปเจ้าของทุก แล้นั่งอยู่นิ่งๆก็ไม่ได้ต้องขยับเขยื้นเคลื่อนไหวเขนั่งอยู่ที่นิ่งก็ทุกข์พอเคลื่อนไหวไปมากๆ ก, ก็ทุกข์เหมือนกันนะก็ต้องปรับเอาการบําบัดทุกข์เนี่ยคือการเคลื่อนไหวแปลว่าการเคลื่อนไหวคือการบําบัดทุกข์เช่นเราหายใจมันเคลื่อนไหวของลมหายใจก็บําบัดทุกข์ ถ้าไม่หายใจมันก็ทุกข์หนักเขาไปอีกก็หายใจเข้าออกการเคลื่อนไหวของลมหายใจก็บำบัดทุกข์นะทีนี้มันทุกข์อย่างไรเนี่ยเราลองมาหายใจดูแล้วก็จุรู้อ๋อมันไปทุกข์ไปอย่างนี้รู้สึกอึดอัดรู้สึกหนักน่วงรู้สึกอยู่ไม่ได้นี่เป็นทุกข์มันก็เป็นการเคลื่อนไหวของท่าสี่แล้วทีนี้ดินน้าลมไฟแล้วกลับก็บมาหา สภาวะที่มันเป็นทุกข์ว่าดินน้ำลมไฟในต้องทำหน้าที่ตลอดเวลาดินเราทำหน้าที่นั่งนี่เพราะธาตุดินเคลื่อนไหวไปมาเนี่ย เ, เป็นธาตุลมแล้วก็ในร่างกายของเรามีภาวะที่ประสานธาตุดินกับธาตุลม ธาตุน้ำธาตุไฟก็จะเป็นเย็นร้อนอน่อนแข็งแข่งตึงทําให้ธาตุทั้งสีมาสมผงกันทําให้เกิดการเคลื่อนไหวตามกฎของอะไรตามกฎของใจรักนี่ก็เกิดอาการาการทํางานในส่วนที่เป็นรูปทั้งหมดต้องทํางานของภายใต้กฎ ไ, ไตรักษทั้งหมดเลยกฎใจรักคืออะไรก็คืออ น, นิจจงเปลี่ยนแปลงตลอดะเวลา ธาตุดินก็เปลี่ยนแปลงธาตุน้ําก็เปลี่ยนแปลงธาตุลมก็เปลี่ยนแปลงธาตุไฟก็เปลี่ยนแปลงการเปลี่ยนแปลงของดินน้ําลมไฟก่อให้เกิดชีวิตขึ้นมาเนีการเปลี่ยนแปลงดินถ้าหากดินน้ําลมไฟนี่ไม่เปลี่ยนแปลงชีวิตก็เกิดไม่ได้เพราะมันมีการเปลี่ยนแปลงอ่าลักษณะของการเปลี่ยนแปลงนี่เองเรียกว่าอนิจจ์ถ้าเปลี่ยนแปลงแล้วมันเป็นอย่างไรมันก็เกิดกัน เสื่อมสลายนะสมมติว่าหายใจเข้าไปเนี่ยเราเปลี่ยนเข้าไปแล้วก็เอาของเสียออกมาก็คือหายใจเข้าก็เสื่อมออกไปเอาเป็นหายใจออกนะเรานั่งไม่กี่รู้สึกสบายพอนั่งไปสักพักหนึ่งความสบายก็เสื่อมสลายออกไป การเสื่อมสลายนี่เขาเรียกเป็นทุกขังมันแปรปลวนละในส่วนที่เปลี่ยนแปรปลวนก็ดับหายอันนั่งเก่าก็หายไปแล้วก็ปรับท่านั่งใหม่เอาท่านั่งใหม่เกิดขึ้นก็เกิดการเปลี่ยนแปลงอันนี้ยังทุกขังนะก็เลยทำงานตลอดเวลาเราก็ถือว่าร่างกายของเรานี่เป็นที่ตั้งของอนิจจังทุกขังอนัตตาแต่ด้วยความที่เราไม่ได้ศึกษา เมื่อได้อบรมเรื่องธรรมะมาก่อนเนี่ยเราก็ไปเข้าใจว่ารูปนามพือร่างกายนี้เป็นที่ตั้งของความสุขเป็นที่ตั้งของเราเป็นที่ตั้งของของเราเราก็ไปเข้าใจว่าถ้าสีดินน้หลมไฟเป็นของของเราทีนี้ใครจะมาด่ามาว่าใครจะมาดบมาดีใครจะมาดูถูกดูหมิน่นรูปอันนี้กายอันนี้ไม่ได้ เราก็จะเกิดการหวงหวงหวงแหนเกิดการปลกปักรักษาขึ้นมาเกิดการต่อต้านขึ้นมาใครจะมาล่วงเกินเพราะเราสําคัญว่ามันเป็นของเราเราก็ไม่อยากจะให้ท้าสี่ขันห้าเนี่ยเกิดการเบียดเบียนเกิดการแตกสลายก็เกิดการพิทักษ์รักษาขึ้นมาการเข้าไปพิทักษ์รักษาไม่ให้มันถูกการเบียดเบียนทําร้ายนี่เองเขาก็เรียกว่าศีลนะว่าบัญญัติเขาเป็นศีลขึ้นมาละ ใช่เพราะมีการเปลี่ยนแปลงเราจะเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงแล้วไม่ให้มันเสือ่อมได้ไหมไม่ให้ใหอา น, นิจังไม่ให้ก่อให้เกิดทุกขังได้ไหมได้ก็โดยที่ว่าต้องมาเปลี่ยนอา น, นิจังให้เป็นศีลใะถ้าเปลี่ยนอา น, นิจังเป็นศีลไม่ได้อา น, นิจังก็ต้องเปลี่ยนเป็นทุกขงังสมมติเรานั่งเนี่ยมันหนักเห็นไหมนั่งแล้วมันหนักปวดหลังปว ด, ด, ดเดียวนี้ถือว่าปกติไหม อกลับไปหาสูตรเมื่อวานนะแล้วนั่งไปนานร่างกายเนะี่ยมันหนักมันหน่วงมันถ่วงมันทับมันปกติหรือผิดปกตินี่อ่าหนักนั่งเรามันหนักขึ้นเรื่อยๆเนะี่ยมันผิดปกติแล้วมันปกติสินไปนว่าปกติใช่ไหมนั่งเรามันหนักขึ้นเนอะ่ะปวดเมื่อยเนี่ยผิดปกติแล้วอะจะทําให้ปกติทำไงก็มีการปรับมีการปรับแต่งคืออนนี้จังแล้ว ทีนี้ถ้าหากว่าเราเข้าไปรู้การเปลี่ยนแปลงจากที่มันเปลี่ยนแปลงของมันเองเนี่ยมันต้องไปสู่ความผิดปกติคือทุกขังอ่าพอทุขังเราก็ทนไม่ได้มันผิดปกติแล้วคนทั่วไปพอคนที่ไม่ได้ฝึกพิปิสนาเวลามันหนักหน่วงก็เปลี่ยนก็เปลี่ยนก็เขาก็หายทุกข์นะคือไม่หนักละ แต่เขารู้ไหมว่าไอ้ความที่ทุกที่ความไม่สบายไม่คีดมันหายไปได้เขารู้ไหมไม่รู้ถ้าไม่รู้นี่ถือว่าเป็นศีลได้ไหมไม่ได้เพราะไม่รู้อ น, นิจจังก็ยังเป็นทุกขังเหมือนเดิมเพราะอะไรอ น, นิจจังตอนนั้นก่อให้เกิดทุกขังคือตัวไม่รู้ตัวอวิชชาเพราะเราเข้าไปเปลี่ยนแปลงจากความ ไม่สบายให้มันสบายด้วยอวิชชาแทนที่มันจะเป็นศีลมันก็กลายเป็นความอยากอยากให้มันสบายอันนี้จัง ก, ก็กลายเป็นความอยากคืออยากจะเปลี่ยนเพราะมันไม่สบายใช่ไหมเพราะนั้นอนนี้จัง ก, ก็อยากจะเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนด้วยความอยากแต่ทีนี้พอรเรารู้ว่ามันเป็นนั่งเนี่ยมันไม่สบายเราเข้าไปรู้อ๋อที่มันไม่สบายเพราะว่ามันจะต้องเปลี่ยนแปลงไอการเปลี่ยนแปลงนี้มันจะต้องนําไปสู่การเสื่อมการแตกการดับเพราะนั้นเราก็เปลี่ยนมันซะ ให้รู้จักการเปลี่ยนรู้ก่อนแล้วก็เปลี่ยนการเปลี่ยนก็ ป, นปกติสบายการที่เขาไปรู้แล้วมันกลับม า, าสบายตามปกติตรงนี้เขาเรียกว่าอันนี้จังเปลี่ยนเป็นศีลเข้าใจไหมแต่ถ้ า, าว่าเราเปลี่ยนไปด้ยวยความไม่รู้อันนี้จังมันเปลี่ยนาอันนี้จังมาเปลี่นเป็นราคะคืออยากจะให้มันสบายเปลี่ย น, เ ป, นเป็นความชอบเราว่าโสมนัสเวทนา ร่างกายเนี่ยมันเป็นทุกขเวทนาเราอยากให้สุขเวทนาต่อไปแล้วก็เปลี่ยนมันซะก็สบายรู้สึกสบายเป็นส่วนี่เห็นไหมธรรมะมันก็จะต่อเนื่องกันไปอย่างนี้เรียกว่าพระธรรมคือเห็นขบวนการการทํางานของว่าเออถ้าสี่ขันห้ามันมาอย่างไหนมันก็มาจากของเดิมของมันจากกบัติเขาเรียกว่ า, าธาตุใช่ไหมาธาตุก็มาจากคําว่าธรรมะเริ่อสื่อเข้าใจนะคำว่าธรรมะคาว่าธาตุอันเดียวกันไง เพราะฉะนั้นดินน้ําลมไฟมันอยู่ตัวใครโดมันเนี่ยเรียกว่าธาตุแต่พอมาผาสมกันเข้ามันเปลีนปวนเป็นอย่างอื่นคําว่าธาตุกลายเป็นใจรักอา น, นิจังทุกขังอนัตตาเพราะนั้นอนิจังทุกขังอนัตตก็เปลี่ยนมาเป็นใจรักนั่งอยู่สบายๆเนี่ยปกติสดชื่นแจ่มใสเนี่ยเป็นสุขเวทนาพอนั่งไปสภาพก่าเกิดง่วงขึ้นมาเป็นทุกขเวทนา เห็นไหมพอทุกข์เคยนานาพอทุกข์เกิดขึ้นเราถึงง่วงถ้าเราไม่ง่วงมันก็ปกติก็เป็นธรรมพอง่วงขึ้นมามาเป็นอาธรรมขึ้นมาแล้วเขาเรียกนิวรนใจรักก็เป็นในลูกของนิวรนนี่เห็นไหมตัวทอตัวธรรมะมันก็แสดงในตัวเขาเรมืองแต่นิวรนเราบังคับบัญชามันได้ไหมไม่ได้มันเป็นนันตตาที่เราจะเปลี่ยนเป็นนันตตาได้ไหมก็ได้คือมาตั้งเจริญสติเจริญปัญญา พอเศรษฐีปัญญาเกิดขึ้นเขอค่อยเฝ้าดูว่า อ, อตัวอ น, นิจจังเนี่ยมันจะเปลี่ยนตัวเป็นทุกขังคือง่วงเป็นนิวร์แต่นิวร์น่ะตั้งอยู่ได้ไหมไม่ได้เพราะเราเข้าไปแก้ไขนิวร์ได้ก็เลิกเป็นอนัตตาแต่ถ้าว่าแก้ไขนิวร์ไม่ได้เป็นเป็ น, ปนอนัตตาถ้าแก้ไขนิวร์ได้เป็นอะไรเป็นปัญญานั้นหมาความตั้งใจแก้ตั้งใจดูว่าความง่วงจะมาแบบไหนความตื่นตัวจะอยู่แบบไหนแต่คอยแก้ความง่วงอยู่เสมอการตั้งใจแก้ความง่วงนั่นเองเรียกว่าสมาธิ ทุกขังเปลี่ยนเป็นสมาธิทันไหมทันนะอันนี้จังจะเปลี่ยนเป็นศีลก็ตรงที่ว่าเราไม่ไปทไม่ได้ทําตามความอยากโดยสัญชาตญาณและทําโดยคันรู้เออแล้วจะเปลี่ยนความอันิีจังที่มันเปลี่ยนไปเป็นมาเนี่ยเปลี่ยนเปลี่ยนคือถ้ามันเปลี่ยนเองเนี่ยมันเปลี่ยนไปเป็นทุกขังคือปวดเมื่อยไปเรื่อยเรเราก็เข้าไปเปลี่ยนพอเราเข้าไปเปลี่ยนด้วยความไม่รู้เป็นความอยาก เป็นคันหาราคะแต่ถ้าเปลี่ยนเปลี่ยนด้วยความรู้สึกตัวมันกลายมาเป็นศีลนี่ๆๆทําเมื่อเดือนเริ่มยากตรงนี้นะใช่ไหมเพราะมันเป็นไปทํากดของนิจังพอเปลี่ยนเป็นกฎนิจังปั๊บเราเอาตัวเราจึงมาเจริญสติไงเพื่อเอาตัวสติเนี่ยไปรู้ว่าเออมันเปลี่ยนของมันเองเนี่ยมันเป็นทุกขังนะแต่เข้าไปเปลี่ยนมันกลายเป็นศีลเข้าไปเปลี่ยนแต่การเข้าไปเปลี่ยนเองมีสองลักษณะหนึ่งเปลี่ยนด้วยความรู้ตัว สองเปลี่ยนด้วยความไม่รู้ตัวถ้าเปลี่ยนด้วยความไม่รู้ตัวเป็นสัญชตาตญาณกลายเป็นความอยากถ้าเปลี่ยนด้วยความรู้เนื้อรู้ตัวมันกลายมาเป็นศีลคือตัววิชาคือรู้เนื้อรู้ตัวก่อนกลายเป็นศีลแล้วรู้ว่าถ้าเราเปลี่ยนแล้วทุกขังอยู่ได้ไหมเราเปลี่ยนเองตัวปวดที่ทั้งนั่งทั้งยืนอยู่ไม่ได้แล้วมันหายไปไอการตั้งใจที่จะ เข้าไปดูว่าไอ้ตัวอนิจังมันเปลี่ยนทุกขังอย่างไรไอ้ตัวสบายมันเปลี่ยนเป็นตัวไม่สบายอย่างไรการเข้าไปดูการเปลี่ยนแปลงตัวนั้นอย่างชาัดเจนเขาเราียกเป็นสมาธิคือตั้งใจดูสมาธิไม่ใช่ไปนั่งสงบทื่ออย่างงี่นะสมาธิแปลว่าตั้งใจตั้งใจรู้ตั้งใจดูตั้งใจเห็นตั้งใจแก้ไขตั้งใจเปลี่ยนแปลงสมาธิแปลว่าความตั้งใจนี่สมาธิที่เอื้อต่อ ว, Watts, ว, ว, falling, วิปัสสนาแปลว่าตั้งใจมาจากคาว่าสมาหิโต อ่าแล้วก็ปาริสุธโธกรมมณิโยเนี่ยนิยามของคาว่าสมาธิแปลว่าตั้งใจคําว่าตั้งใจคือตั้งมั่นว่าจิตของเราจะดูนะว่าไอ้อ น, นิจจังมันจะเปลี่ยนทุกขังอย่างไรตั้งใจดูและทุกขังมันจะเปลี่ยนเป็นอ น, นัตตาอย่าตั้งใจแก้เนี่ย ก, การเข้ามีมีสติปัญญาเข้าไปเฝ้าดูแล้วแก้ไขตรงเนี้ยเรียกว่าตัวศีลตัวสมาธิตัวปัญญาแทนคำว่าอ น, นิจจังทุกขังอนัตตา ถามว่าไตรสิขาคือศีลสัสมปิยาเกิดขึ้นได้ก็เกิดขึ้นจากอันดิจังทุกขังนาตาแต่เราไม่มีสติปัญญาเข้าไปแก้มันก็กลายเป็นราคะโทสะโมหะพอมีสติปัญญาเข้าไปแก้มันก็เป็นศีลสัสมปีปัญญามาจากที่เดียวกันคือตัวใจรักอะไรเป็นตัวกาเนิด น, นี่เขาเรียกว่าปรมัตธรรมธําในฝ่ายที่เป็นปรมัดแต่เกี่ยวข้องด้วยสมมติคือถ้าหากว่า มันไปตามกฎเข้ามามันเป็นตัวสมมุติคือใจรักษอันนี้จังทุกขังหน้าตาพอเราไปเกี่ยวข้องมันอยากถูกต้องด้วยความรู้ด้วยปัญญามันกลายเป็นศีลสมบิพยาเป็นฝ่ายปรามัตดใจรักเป็นสมมุติใจศีขาเป็นปรามัดนะมาใกล้ๆอย่างนี้นะเข้าใจได้ไหมพอเรามีเวลาสั้นเราจะแจงละเอียดตรงนี้ไม่ได้เพรา ะ, ะนั้นเราจะเห็นว่าเรื่องนี้น่าศึกษามากแต่เนื่องจากว่าเรา สติปัญญาของเรายังไม่เข้มแข็งพอนั่งไปสักพักเมื่อกี้มันส บ, สสบสายๆเดี๋ยวนี้ง่วงแล้วพอง่วงขึ้นมาอีกเพอสติเราไม่ทันนี่ถง่วงต้องอะไต้องแก้ที่นี้ถ้าไม่แก้ก็กลายเป็นตัวใจใจลักพอเราเข้าไปแก้ให้ถูกต้องเป็นตัวใจสิกขาใจรักนําไปสู่อะไรนําไปสู่ราคะโทสะโมหะอันนี้จังนําไปสู่ราคะทุกครั้งนําไปสู่โทสะ อนัตตาทําไปสู่โมหะแต่พอเรามีสติปัญญาเข้าไปแก่อา น, นิจจังเปลี่ยนเป็นศีลทุกขังเป็นเป็นสมาธิอนัตตาเปลี่ยนเป็นปัญญาเพราะฉะนั้นตัวแปรสําคัญคือตัวรู้ใช่ไหมคือตัววิชาเราเข้มาสร้างตัวรู้ตรงนี้ตัวรู้เพื่ออะไรเพื่อที่จะไปเห็นอะไรกําลังเกิดอะไรกําลังดับอา น, นิจจังทํางานอย่างไร ทุกขังทงาํางานยังไงอนัตตาทํางานเข้าไปแก้อันนี้จังทุกขังอนัตตาเพราะนั้นถึงตัวธรรมะไปว่าถึงตัวปัญญาการปฏิบัติธรรมคือคือทำให้เกิดปัญญาที่กล่าวมาเมื่อคืนว่าสติคือวินยัยใช่ไหมธรรมะคือปัญญาดังนั้นพระพุทธเจ้าถึงบอกว่าพระทําวินัยใดที่เราจะถาคตตัดไว้แล้วพระธรรมวินัยนั้นจะเป็นาศาสดาแทนเราเอา้าวพระธรรมวินัยก็เป็นตัว ปรมาท่าเรามาใช้พระวินัยก็คือตัวสติพระธรรมก็คือตัวปัญญาถ้าจะพูดใหม่ได้ไหมว่าสติปัญญาใดที่เราดัดขดนำมาสั่งสอนสี่ห้าปีสติปัญญานั้นจะเป็นาศาสดาแทนเราแล้วสติปัญญานี่มันอยู่ไหนก็อยู่ในตัวมนุษย์ทุกคนใช่ไหมทุกคนมีสติปัญญาตัวสติปัญญาก็คือตัวใครพระพุทธเจ้าถูกต้องไหมอ่านี่คือเรามาโยงให้เห็นอย่างนี้อันนี้คือตัวปฏิบัติ ที่เราจะตงมาศึกษากันในช่วงเจ็ดวันถึงอสิบวันนให้แจ่มแจง้งถ้าแจ่มแจ้งเข้าใจอย่างนี้แล้วอยู่ที่เราจะทำหรือไม่ทำอทันนี้นะเมื่อคืนที่เราสวดว่าตุมเหหิขีจังอาตปังอาคาตาลูตถาคาตาปฏิปันาปรโมกคันติชายโยมาราพันธนา ท่านทั้งหลายต้องทําความเพียรด้วยทําความเพียรด้วยคือทําความเพียรคือพยายามแก้ทุกข์อะลรม่วงเป็นทุกข์ไหมแก้แล้วแก้อีกไม่ทุกข์ก็แสดงว่ามีสาเหตุเมื่อคือนนอนไม่หลับแก้แล้วแก้อีกก็อยากจะง่วงอยู่นี่แสดงว่ามันมีเหตุละก็ไปแก้ที่เหตุให้ให้นอนหลับให้กลางคืนกลางคืนนอนหลับให้พอทํำไมนอนไม่หลับเมื่อคืนโอ้มันคิดเยอะไปหน่อยมันก็เลยนอนไม่หลับนะน่มาเหตุตรงเนี้ยเป็นเหตุเป็นปัจจัยของการอะกันเพราะฉะนั้นธรรมคําสอนพุทธเจ้าเนหูมันเป็นเรื่องที่ วิเศษมากๆแต่ใ น, นเมื่อเรายังไม่เข้าใจทําไม่ได้ก็เรว่องมันก็ยังไม่วิเศษธรรมะนั้นจะวิเศษหรือไม่วิเศษตรงเนี้เราทําได้หรือไม่ได้ถ้าเราทําได้ธรรมะก็เป็นเรื่องวิเศษขึ้นมาถ้าเราทําไม่ได้ธรรมะก็ดีขนาไหนก็ไม่วิเศษเพราะเราทําไม่ได้นะเพราะนั้นธรรมะถือว่าเป็นสิ่งที่เป็นมหาเชจันนะธรรมะเป็นมหาเชจันในะอย่างนี้ เัรานั้นเองในส่วนนี้หลวงพ่อก็จะตอกย้ําไปทุกวันให้มันปฏิบัติได้แต่ในช่วงแรกนี้เรายัางไม่พร้อมเราก็ทําได้บ้างมาได้บ้างเราก็มาตอกย้ําแล้ ว, ย, ล ว, ย, ล ว, ย, ลวย้ำอีกย้ําแล้วย้ําอีกในเรื่องเก่านั่นแหละแต่เอาม า, อามาแยกเป็นสมมุตหิหลายๆด้านเพื่อให้เข้าใจแจม่มแจม้งพอเข้าใจแจม่มแจ้งแล้วก็มันก็จะเกิดเลยจากขุงอุทปาทิ ญาณังอุทาปฏิปัญญาอุทาปฏิวิชาวุทาปฏิอโลโกอย่างที่ท่านโกนทยะเข้าใจจะขู่เกิดก่อนคือเห็นน่ะคือฟังแล้วเข้าใจอ่ะเข้าใจถูกต้องมันก็จะเกิดญาณเกิดปัญญาเกิดวิชาและเกิดความสว่างสวัยอโลโกแต่ฟังแล้วยังไม่เข้าใจทําไม่ได้มันจกขู่ตัวนั้นก็ยังไม่เปิดก็เป็นแทนที่จะเป็นธรรมจักรสุก็ยังเป็นตัว กิเลสจากสุอยู่นะมันจากสุของกิเลสอยู่เราก็มาเปิดดวงตาธรรมเพราะนั้นพระพุทธเจ้ายังเปิดดวงธรรมครั้งแรกนะครั้งแรกโดยการตรัสกับปัจจวัคคีทั้ง5้าจะกลายเป็นตำนานให้เราได้ศึกษาต่อมาตรงนี้คือพระธรรมโดยสมมติถ้าไม่มีพระธรรมโดยสมมุติไม่มีตำราไม่มีพระธรรมปก เราก็าจะรู้เรื่องนี้ไม่ได้ใช่ไหมนี่คือทำโดยสมมติทำให้เรารู้ประวัติศาสตร์รู้ความเป็นไปเป็นมาแล้วมาแก่พระธรรมโดยสมมติออกมาเป็นพระธรรมโดยปนุมัติคือให้เราปฏิบัติได้นี้จึงเรียกว่ามีพระธรรมเป็นที่พึ่งเข้าใจไหมวันนี้หมดเวลาแล้วอาหารเสร็จเรียบร้อยแล้วเนอะา็จริงพ่อตั้งว่าหกโมงคึงแต่วันนี้สายหน่อย พอเมื่อคืนนี้เกิดปัญหาขึ้นมานิดหน่อยนะก็ขอโนโมทนาสาธุในการที่เราจะศึกษาธรรมะร่วมกันทั้งสมมุติทั้งปรมัทิตย์ในคราวต่อไปก็จะพูดถึงเรื่องสังขะนะสังขังสนงันนิษฐานเิอันนี้เรื่ยินนั่นแหละก็ขอให้เราตั้งใจศึกษาเรื่องนี้ไปให้มันแจ่มแจ้งชัดเจนเพื่อเราเกิดมาแล้วจะได้ไม่เวียนว่ายใจเกิดตามกฎของใจรักษ์ เราก็ต้องมาเปลี่ยนแปลงกฎใล ร, รให้เป็นกฎของไตรสิขาให้ได้พอเรามาสูกกฎของไตรสิขาเราก็จะมาสู่การดับการพ้นไปจากความทุกข์ที่เกิดในใจรักให้มาเปลี่ยนมาเป็นความไม่ทุกข์คือให้มีตัวศีลสมาธิปัญญาอยู่เป็นนิสัยให้อยู่เหนือความทุกข์ดยการทุกคนทุกท่านเถอ